ก็ทำระเทศนาแผ่นที่แปดสิบหกลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้ยห้าสิบแปดมีชื่อเรื่องว่าเอาความดีเป็นยันกันภัยเออวันนี้นรับว่า วันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันตำรวจแตงแต่วันํารวดเก่าใช่ไหวันตำรวดเก่าตั้งแต่ขึ้นลำบานตั้งตำรวจใหม่ก็มีอีกวันที่17ครับวันที่17ในเราชาวตำรวจเก่าแต่แต่ตั้งกอง ผมตำรวจเห็นชาติึ้นมาใหม่เต็มเก่าแก่เพราะนั้นคือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันตำรวจสองพนา ย, ยุของพวกเราพวกเรากับสื่วลชนจับูเ่ในป่าโทงอง์พ่ยืนยุทยืนสุดเขตแดนสยามพวกเรา ไ, ย, าา ย, ย, าราไยังนำรถตึงปลอมตำววรจำวจท่อตำรวจผู้พิทักษสันติรา ให้ับให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนมาทันเก่าแก่ถึงําวันตันะ้งแต่โมตำรวจเริ่มสร้างแต่มาแบนนี้พวกเรามาถึงปีนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีกับก้มโง่ที่ตั้งมานะ่ะสข้อมูลมาได้ตินต่อแต่ต้องมีประวัติการเป็นมานันแหละแต่ที่นี้ยังไงตารวจที่รับสารพี่น้องประชาชนก็น้อง มีการลงหายตายจากกันไปนงนานตั้งแต่ผู้ที่เริ่มก่กอโรครอยตามยุ่งตาางแต่ตำรวยทั้งหลายในประเทศชาตบางิีก็เลยประตูตปิดเฉทดที่ไปรักษาผี่น้องประชาชนเพราะนั้นพวกเรามาทำบุญในวันนี้พวกเรากระ ล, ะละึกลึกลงผมตำรวจของพวกเราคือวิชาอาชีพเดียวกันในเมื่อถึงมาพวกเรายัาง ทำราช ก, การหมู่พวกเราก็ได้จัดทํำพิธีขึ้นมาที่มณฑรูบาลยารนพระสงฆ์มานในสพปนา ย, ยูของพวกเราจากนั้นพวกเราก็ได้กล่าวคําสวายัระทหารบ น, นที่ส่วนกุศลต่อพิ้นผู้มีบุญกุศคือกรมตํารวจของพวกเราตั้งแต่ที่ทเ ร, รื่องที่ผ่านเกโกรมไปแล้วที่เป็นผู้มิจฉาหานเป็นผู้ ผู bon ้บ like ังคับบัญชาของพวกเราในเมื่อท่านดรับไปแล้วตกทุกข์ไตรยจักรใดดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ไตรยขอให้มารับส่วนมุลส่วนเพื่อชนพวกเรายินดีที่ส่วนผู้นให้แต่ถ่านดวงวิญญาณทั้งผู้ใดมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยขึ้นไปอันนี้คือเจตนาตรงมที่พวกเราได้จะทําูุณใหที่ส่วนผู้ชน ในวันนี้เราจะพร้อมกันก็เป็นการทำบุญเพื่อเป็นสนิริมงคลสำหรับสองพองนา ย, ยูของพวกเราอีกด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสรับสรุนให้การร่วมมือเป็นอย่างดี พ, ดพระสงก็เลมาเจริญพุทธม้า์9กงค์ที่สลงไปตกงสัครูปีบร้นขอให้พี่น้องประชาชนสัมพายญาติโจมแล้ว กต่ท่านำรวจท่านในอำเภอเป็นประธานเป็นผู้ใหญ่โค่นท่านมาล้วกในงานวันตำรวดของเราด้วยแลวก็พร้อมกันหัวหน้าส่วนราชการผู้มวยได้มาล่วกันจังานพิธีขึ้นมาแล้วก็เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของงานแต่วันนี้เมื่อพระอง์ได้เจริญพุทลมนร์จบแล้วผู้วยประธา็จแล้ว ต่อ น, นี้ไปพระางฆ์จะโมทนาให้พอเมื่อน้องอัโทนาให้พอเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะฉันอาหารเมื่อฉันอาหารเสรเ็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการรับโภน้ำพกระแล้วหลวงพอ่อจะเป็นแกเหรียญผู้วาด่าหาตำส่วนหลวงพ่อหเอาเหยืเออะไรมาแจกเป็นที่ะระลึกนั่นหลวงพอ่อถ้าไปที่ืนหลวงพอ่อไม่เคยคิด น, นะเดีเ๋ยวไปมองมาเปไ็นเรียนหลวงปู่ลีนะ หลงปูลีกุศลทารุะะารงข้ามผาแดงที่ท่านสร้างพระเจดีป์ู้ผาแดงพรลวงพ่อเป็นกราบพรราวาท่นานท่านก็ได้แบบงเรียนลูกเปลียนให้นะหลงพอ่อเอื้องเหรียญลงปู่นี่แหะ เ, เป็นแจกแต่ตำบดของพวกเราเขาเหรียนสวยดีนะเป็นไม้เนี่ยเขาเอารูกเขาเป็นไม้ เ, เป็นไม้ เป็นไม้ข้างในเัามางเหมือนกันแต่รูปโคสวยก็ทาได้ดีนะเ่ันั้นผู้ใดกับเป็นขอนไม่ได้ไม่ได้เหรียญหลวงปู่นอันนี้นะถ้าใคกจะได้เหรียญหลวงปู่ก็คอยๆกัดพว่าน่าจะพอเนขาเขียนให้าพของสองแิบเหรียญนะเนี่ยงิบเหรียญจะ้องที่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อันเทานั้นเส็เร้อยโงน้าพุธม์เสร็กินร้อยตข้อไม่ได้นาเหรียญ ใ้โอลมถกของเราปู่ ล, ลีของเราให้ให้ลูกหลานถือไปกราบไปไหว้อรบสัตราชูชานะแต่ที่ยังไรเหรียญเหรียญก็เป็นเครื่องรับถึงครูบาจารย์งปู่ลงตาไปบไปที่ใดมีรูปเหรียญูบาอาจารย์อยู่ในกระเป๋ามีอะไรก็ขูดใจในระับหงเหมือนกันนะเอาว่าคูบาาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเรากอเรา ล, ลื่ถึงกองท่านแต่นลื่อยังไงการเลืู่้พวกเราทำความดีไม่ได้เนะี่ยพวกเราทำความดีนะั่นคุ้มกันได้ดีกว่าแต่คุ้มกันได้ดีกว่าคิดดีทำดีพูดดีอยู่นัสถานที่ใดดีทา้านนะทาคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอยู่นสถานที่ใดเกิดเกิดร้อนวุ่นวายันดับแรกตัวเองะระดับเกิดร้อนวุ่นวาย พวันนั้นให้พวกเราพนักพาติชย์โดยผู้ทุ emen, UP, กเหล่าทุกท่านที่ได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาแต่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้พรกเงาพระพรมคนทสมทานข้าะบาดเจ็บเป็นเจ้าอยู่หัวขอให้พวกเราทุกท่านอยู่ใต้พรมเงาของพุทธศาสนาอีกให้พวกเราประกอบคุณงามควมีกระทำคุณงามความดีให้คิดดีทําดีพูดดี อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอยากจะให้ผู้ใจรุ่คนก็ไม่ได้แต่หลวงพ่อว่าเอากฎหมายเป็นหลักนะใครท้าท้าใครก็ตามท้าทำผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนั้นเว้นเจตนาหรือไม่เจตนาเราก็คูมอีกทีนึงถ้าหว่ามีเจตนา ไม่กัวกฎหมายเราก็ต้องออกมาลงโทษแต่ถ้าทําไปโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะผิดแอันนี้เราเราก็ต้องให้้อาไผ่ตักเตือนกันอันนี้คือการอยู่ด้วยการเพื่อความผาสุกเช่นว่าผดดิดนิดหน่อยก็จับมาเข้าคุกเข้าคุกไปแล้วทำยังไงก็ไปกินข้าวหลวงพวกเราก็หาเงินเข้าไปถึงกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปซื้อข้าวหลวงให้เขากินอีก เพทีส่สุดมีแต่คนไปอยู่ในคุกแล้วจะทํำยังไงถ้าไม่นจำเป็นจริงๆก็าเป็นคนจะจเข้าคุกนะหลวงพ่อว่านะถ้ามันผิดจริงๆอนะ่ะควรจะเอาเออมันผิดของมันผิดมันจะทํำยังไงมันจะทำให้เกอดร้อนนะถ้าว่าถ้าเราไป่ได้ทำกฎหมายให้เข้มนะแข็งในระยะว่านะพวกมากลากไปจะทําอะไรก็ทำได้มันไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมน่าจะูกนะ ่พระทำผิดก็คือพระทำผิดตำรวจทำผิดตำรวจทำผิดขรรการทำผิดพวกหมูพเราคือทำผิดนะเมื่อทำผิดแล้วมีอะไรมีกฎหมาย ต, ต้องเดินตามกฎหมายเคะนั้นขอให้แต่พี่น้องประชาชนเคารพกฎหมายบ้านเมือกงอ ก, อออก็รับพิจารณาอย่งพระสงฆ์หลวงพ่อมาให้ําพระสงฆ์กลุ่มกันเพราะพระสงฆ์หลวงพ่อบอกว่าให้มีพิจารณะ ให้เคารพสิกงาบวินัยเพราะพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามทำวินัยที่ พ, พุทธเจ้าบัญญัติไว้นี้ก็เหมือนกันกฎหมายตราออกมาในประเทศก็เพื่อให้คนในประเทศชาติไทยอยู่ด้วยการเคากฎหมายท้าพวกเราเคารพกฎหมายเอพวกคนจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขคนหน้ากันถ้าพวกเราต่างคนต่างไม่เคารพกฎหมายแล้ว อย่ากหวังเลยประเทศชาติจะสงบร่มเย็นเป็นถุกใครจะทําอะไรก็ทันทำตามอำเภอใจตามอัดขายใจของตัวเองอยากจะทําแต่โวยมากการกรนะทํานั้นมันไปในทางขี้เหล็มักใหญ่ไฟสูงท้ายๆอวดจัดดาตัวเองว่าข้าเก่งข้ากล้าข้ า, ข า, ขาใหญ่กว่าพวกเพื่อนไม่เหนือกว่ากฎหมาย น, นั่นแหละป้นเลยจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าว่าพวกเราทุกคน อยู่ในกฎกติกาของกฎหมายแล้วกฎหมายคุ้มครองกฎหมายเหนือกว่าพี่น้องประชาชนใครผิดก็ทํ า, าทจับตามผิดแล้วคนปูกจะเป็นหยบเขาได้ยังไงเพราะเขาถูกนะถ้าเขาผิดนะจะยัะเอาไว้ไม่ได้ต้องลงโทษตามกฎหมายนี่แหละขอให้พี่น้องประชาชนพวกหมูพวกเหล่าพวกท่านหลวงพ่อเองเป็นภาคหลงพ่อเข้ารับกฎหมายป้านเมืองเหมือนกัน มีทั้งพระวินยัยของพ ร, สระสงฆ์ด้วยพระวินัยของพระสงฆ์ก็อยู่ในระดับหนึ่งทางกฎหมายบ้านเมืองเขามีกฎปติกาอย่างไรหลวงพ่อพก็เคารพกฎกติการตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกับพวกเราท่านท่านหลายเ <c oughs> พราะนั้นขอฝากขอฝากไว้กับพวกลูกหล า, ทานทานสทตยาญาณหลวพวกหมู่พกเราสิ่งที่ไม่ไสิ่งที่มันไม่ไ ด, ไมไดีอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดในเรื่องนั้นคิดทําพูดในสิ่งที่ดี ให้ถูกต้องตามศีลธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบ้านเืินแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นทุวนหน้ากัก น, าก น, นะนการกล่าววันนี้การกล่าวในวันตำรวจเห็นชาติวันนี้ก็เห็นว่าุมควรกับการเวลาตอนนี้ไปพัดสงฆ์จะมุนโมทนาให้พหนาะในเมื่ออันโมทนาให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากสิ่ลพอเด็ูดได้กกลา่าว พระสงฆ์จาดทหารจันทหารเสร็จแล้วก็จะมีการโผล่ปลักน้าพุทธมนต์เมื่อปลักโผล่น้าพุทธมนต์เสร็จแล้วมีมีการเอาเหรียญของหลวงปู่ที่หลวงพ่อได้พูดนะแจกกับพี่น้องจะเน้นทางตํำรวจเฉพากนะเพราะพระท่านเป็นเจ้าทินนะให้นับไปก่อนนะให้ปวดินนับไปก่อนว่าในสํารวจมีเท่าไหร่ที่จะรับจากหลวงพ่อหลวงพ่ออาจจะมอบ แต่ส่วนหนึ่งไว้ก่อนจากนั้นที่เหลือกองแจกที่น้องเป็นชายชนต่อไปนะเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นวันตํารวจนะหลวงพ่อก็ต้องให้ความสําคัญเห็นคนเจ้าของบ้านเป็นตำรวจนะเอาแจกขอก็ต้องแจกให้เพียมพอเทก่อนแต่ส่วนอื่นหนะลวงพ่อเคยแจกที่วัดจากเอ็มพีสามบังนั่นซือบ้านหลวงพ่อไปแจกที่วัด น, นะแต่มาเขาได้มาแจกในใ น, ในสถานที่หรือว่า สพนาอยของพวกเราหลง่อจแจกอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กลัว่าตอนนี้ไปลักทรั้ยนรนะีอุทิศส่วนกุศลด้วยนะอุทิศวนกุศลอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดว่ากรมตำรวจของเราตั้งมานงนานท่านเหล่านั้นก็โปรยตามยุทสาขารรือว่ผู้ที่ปฏิบัติผู้บัเขตก็มีคนตำวรวจะก็รู้กันอยู่แล้วแต่ทิ้อยางไร ท่านดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นโตทุกแต่ยากอย่างไรที่จะมารับบุญส่วนกุศลกุศลอยากพวกเราพวกเราไปยินดีบุญเทศส่วนกุศลให้ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปตามอัตภาพของท่านแล้วก็พร้อมกันผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ดำทำําราชการอยู่หรือเกษียณอายุราชการไปแล้วพวกเราเนอะถวายเป็นกุศล ในมอบอุษลผลบุญวันนี้ให้กับพวกท่านทุกคนขอให้ประสบอายุวันนะสุขภาพภาร ะ, ะ, ะลางยศจารเสนสุขอยู่ในสถานที่ใดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะเอออากได้ความฟุ้งอกได้เบียดเบียนพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ให้เจริญด้วยลาบยศจารเสนนะเออโดยมย้อยลาบเออยศขอให้เจริญด้วยยศเออให้เจริญด้วยยศ ที่พวกเราต้องการปรารถนาทุกคนขอให้ได้เป็นธรรมในขณะที่เราได้ดยกโดนเป็นธรรมนะได้โดยเป็นธรรมพ อ, พอที่จะได้จะได้มีอุปสรรคขัดขวางขัดข้องในหน้าที่ที่เราพร้อมที่จะได้รับนะแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ตัวเองจะได้รับแล้วก็มีใครมาขัดมากขวางนั่นนะ บ, บุญบารมีพวกเราได้ทําในวันนี้ขอจะได้มีอุปสรรคอย่างนั้นนะ่ะ แต่พวกเราเองก็จะไปขัดเป็นขวางคนอื่นเหมือนกันนะถ้าเราเป็นขัดขวางคนอื่นนะกรรมส่วนนั้นจะมาขาัดขัดขวางเราต่อไปในอนาคตคนนั้นคนเขาคนที่ได้กินตามคิวของเขาเราก็ต้องให้ตามคิวของเขาเพราะว่าเขาจำเป็นที่ต้องได้แล้วก็พร้อมเขาพร้อมที่จะได้รับเพราะว่ า, าการทำการทำงานของเขาผลงานของเขา กิริยามารยาทของเขามันเคยทําผิดอะไรมาก่อนพร้อมที่จะรับพวกเราจะไปกันไปแก้เขานระื่องพวกใดก็ตามไปกันไปแก้คนอื่นเขาเนะีอยพอต่อไปภายภาคหน้าตัวเองเกิดขึ้นไปเขาบอกการจะแก้เรานะพวกเราอย่าไปโนยวายเพราะตัวเองเคยไปกันไปแก้งเขาไว้ก่อนในเมื่อไปกันไปแก้งเขาไว้ก่อน เ, ออเกิดพบหน้าชาติหน้าเราจะได้อะไรออกมาแล้วก็การแก้ หลวงพ่อองเหมือนกันหลวงพ่อเห็นกับหลวงพ่อเอ ง, ล, ง, อเองลูกหลานบ้างสี่งบางอยากเอ๊เราไม่ได้ทําผิดอะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้ว่าหลวงพ่อเขาอกตัวเองเหมือนกันนะหลวงพ่อคงคงเคยคงเคยเป็กันไปแก้งคนอื่นไว้ก่อนเหมือนกันนะด้อโดยหลวงพ่อจะแนะนำนแนวความคิดหรือ ว, ว่าแนวความรู้สึกของหลวงพ่อมาบอกมากราบให้กับคณะทนายญาติของลูกหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟัง อ่ะตอนนี้ไปรับ่อนใดไดร์เตร์ผูททท้ที่โสดผู้โสด